ได้ยินได้ฟังมามากในขมาอุบายออกออกบวชถือบวชเป็นอมบายบวชคือเว้นความชั่วไปสู่ความดีความชั่วคืออะไรความชั่วคือมันหลงเป็นอกุศล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 นั่นคือชีวิตก่อเกิดอยู่ตรงนี้กำเนิดเกิดที่นี่ โ, นโภทิเกิดอยู่ที่นี่ไม่ใช่เกิดอยู่ที่ไหนเอามาใช้สำหรประโยชน์ก็เป็นความทุกข์นั่นแหละคือพระ涅槃ความทุกข์ไม่ทุกข์นั่นนิพพานไปแล้วพ้นไปแล้วก็ไม่เที่ยง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 เหมือนของสกโปกไม่เป็นบริสุทธิ์เป็นภวมจารไม่โสกโปกไม่เปื่อเพื่อนถ้าหลงเป็นหลงเปื่อเพื่อนมากถ้าโกรธเป็นโกรธก็เปื่อเพื่อนถ้าทุกข์เป็นทุกข์เปื่อเพื่อนถ้าแจ็เป็นแก่ถ้าเจ็บเป็นเจ็บถ้าตายเป็นตายเปื่อเพื่อนนี่คือไม่เปื่อเพื่อนเรื่องนี้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 อย่าไปชนตอความทุกข์ทำตามความทุกข์อ้ความทุกข์พอทำผิดให้ความทุกข์พอเป็นทุกข์สยบอยู่กับมันทำไมเราไม่ทุกข์มันไม่อยู่นี่คือปฏิบัติปัตปติคือโต้อตอบทักท้วงไม่ไปกลับมาเอามาตั้งไ ว, ว้ภาวนาอย่างที่เราสาธทาพระสูปป่รเมื่ีนี่ จิตจำพระคันิตวิญาปักษนัติเผ่านาปักษนันติจําไม่ได้อ่านําราเอามีความเพียรมีภาวนาเผ่านาคือทํอย่างง่ายเพียนคือกล้ามันหลงกล้าไม่หลงตรงนี้เรือความเพียรไม่ใช่ค่อยๆเดินย่อง ย, ย่องย่องย่องความเพียรคือเก่นกล้าทลาไก โจนถึงสุดยอดบางทีนะนี่คือความเพียรต้าภาวนาะขยันนานขยันอะไรขยันลูกแล้ขยันลูกหรือขยันหลงที่วิธีผ่านมาเนี่ยร้องหลงรในความลู่มันมากกว่ากันการใช้ชีวิตของเราถ้าขยันหลงก็เสื่อม ขยันลูกก็จเจริญขยันลงหายะได้เสื่อมลงขยันลูกวัฒน ะ, จะเจริญขึ้นเลื่อนฐานได้ภาวนาคือขยันก้าคนมีความเพียรมีศรัทธาฉันทะวิริยะกลัง กันทะ า, าพละญาติวิยางพละนาติว่าอย่างไรหลวงพ่อกลมเสาร์ยาเป็นส่วนกินีกิตตังประการนาติอะไรนี่พรละก็ไปแจ้งตัดชะลู้เรื่องพละแบบนี้เดี๋ยวโปักเขียรธรทำทัทธาพละสติสมาธิปัญญาเรียวว่า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 มันก็รวมกันเป็นพลังเสริมเสริมแรงเข้าไ้มิชัทา h บ้ามิจริงมรรคผลในพานมิจริงบาปบุญมิจริงมิชัทาถ้ามันเป็นบาปมิชัต t h ต่อบุญเคารพบุญวอมหลงไม่ต้องเคารพไม่ต้องทาตามอะ่ะ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 ไปก<ป>้าวให้ได้ถ้าก้ายังมีท่านก้าวจากนี้ไปแล้วก็วจะต้องไปถึงที่สุดแล้วเหนือก็เกิดเจ็บตายก็ง่ายเห็นเน่ยมันทำํำไมง่ายขึ้นถ้าเป็นทำไมยากมันหลงเห็นมันหลงง่ายแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธง่ายแล้ว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 แต่เมื่อลงมาใช่ไม่เป็นปเปื้อนม่หมดเลยเมเยเื่อเก่ า, กาๆหายหมดเลยแต่มันก็ซักได้นะค่อยๆซักไปใช่ให้เป็นมันจะไม่เสียความเป็นกิดรพระพุทธเจ้าก่ะจิบริษษษษสุทธิ์องใสมือนเดิมจิตกิตทั้งโานี้ โอ้ลิสุ์ของใสมาจากเดิมแต่ใช่ไม่เป็นสิ่งที่มาโจรมาทําให้เศร้าหมองคว้มหลงมาทีหลังกล้มโกรธมาทีหลังคผ ม, มทุกมาทีหลังถ้าหลงเป็นหลงใช่ไม่เป็นเราไปใช่ผ้าให้เปิดเพื่อนเลาถ้าปพัพจะไม่ตังพิกเวกิตตัง ตัณฑโขขขันตุเกหิอุปจิเลใช้วิถึงพิสษุต้องร้อยเราก็ว่าจิตของเรานี้ประพัดสอน่องสัยอยู่แต่เดิมแต่อุปจิเลมันจรมาทำให้เศร้าหมองเหมือนขันตุกะเหมือนชลาหลังนี้จิตเหมือนชลาหลังนี้อะไรมาพักชลาหลังนี้มันก็ไม่ว่าศาลาไม่ว่าอะไร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 เครื่องขยายเครื่องขยายเครื่องเสียงเท อ, อันคอมพิเตอร์ก็ยังเสียเจนทำเป็นอันตุ่หมูโมชาพระประธานต้องอาจารย์ต้นต้องทำเป็นลูกกลง อ, อักเล็กและค่อยอยู่มาอยู่มาวันนี้มันก็อยู่ได้เท่าไรของแกนตุ้ยนี่เดยกก็เสียละ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 มันมีฝีมือตรงนี้จริงๆนะมันหลงเวียนหลงไปไม่หลงนี่บูยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการกระทําที่ชอบสัมมา ก, กรรมมันโตเว้เนการเลี้ยงชีวิตชอบสัมม า, ช, มมาชีวะสัมมาชีวะเว้นการพูดจชอบสัมมาวาจา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 ต้นนี่มีต้นอะไรมีคนประโยชน์อย่างไรดูออกถ้าหัดดูหัดเห็นอย่างเราสอนคนให้ดูต้นสมุนไพรนี่คือวัวเถืิงนี่คือโคคารนี่คือพญาลากดำเป็นคนที่ดูใหม่ก็เหมือนกันหมด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 มันเป็นไปผพ้ความเดอดุ่ขทุกเป็นไปผพ้ความสงบเป็นไปสพมุดจริงจริงปฏิบัติธรรมมันเป็นโกเป็นกรรมจริงจริงเป็นปัิจจตังจริงจริงนในลานี้เรามีสติกำหนดกายคู่แขนเข้ารู้สึกก็รู้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้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 ร่วมรู้สึกตัวไม่แก่ไม่เป็นควอมไม่เป็นอะไรแก่ไม่เป็นแต่ค้วมเป็นอะไรแข่เจ็บตายจริงๆเราโกรธเท่าไหร่เราทุกข์เท่าไหร่เราหลงเท่าไหร่เราพอใจแล้วไม่พอใจมันตายไปเท่าไหร่กีพบผีชาติเราตายในความหลงเกิดในความหลงเราเจะบหายขนาดไหนตายในความทุกข์กิดในความทุกข์มันเป็นทูกเป็นทุกข์อย่างไร เราจะต้องไม่รับใช่มัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราไม่ยอมที่เกิดเจ็เจ็บตายไปกับความหลงความโกรธความรักความชังแล้วจะเป็นมอตะฐานมิตรภาพชีวิตของเราเรียบประเดี๋ยวเ่ะไม่มีขึ้นชีวิตที่ไม่มีขึ้นมันหลงเห็นมันหลงไม่หลงเรียบ